ทั้งหลายมาร่วมเจริญพุทธานุสติตามรำลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระรหารตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองซึ่งเป็นการเดินทางจากเมืองพาราณสีไปสู่เมืองกุสินาราถ้าดูสังเกตจากพุทธกิจเนี่ยนะถ้าพูดแบบรวมย่อๆโดยสรุปพระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระพุทธกิจอยู่กี่ปี45ปีเมื่อบำเพ็ญพระพุทธกิจตลอด45ปี สังขาก็ไม่จีรังยั่งยืน น, นซึ่งพระองค์ก็จะดับขันดับขันปริณิพานที่เมืองกุศินาราซึ่งการดับขันปริณิพานเราก็จงยกไว้ก่อนแต่สิ่งที่จะกล่าวจะสนทนาต่อก็คือในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระองค์ตลอด45ปีที่พระองค์ได้เป็นผู้มีพระมหาตรุณาเที่ยวสงเคราะห์อนุเคราะห์โมเวนัยศาสตร์ทั้งหลาย อของเราทั้งหลายมียนานภาณะนะเวลาไปไหนมาไหนก็นั่งยานภาณะของพระองค์นี้ดําเนินด้วยพุทธบาทอัน hmm. ะพระองค์ก็มีเนื้อมีเลือดมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีร่างกายเหมือนเราทั้งหลายพระองค์มีสุขกายญาวิญญาณมีทุกขกายญาวิญญาณเช่นกับเราทั้งหลายพระองค์ก็มีหิวมีปวดมีเมื่อยเหมือนกับเราทั้งหลายอันะแต่ด้วยพระมหากรุณาของพระองค์พระองค์จึงละสุขละสุขแม้กระทั่ง ในบรรดาตามมาสุกทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ได้เยอะนะโดยเฉพาะพระคันตกุตีเขาเรียกว่าพระคันตกุตีเพราะอะไรเพราะกุติที่พระองค์อยู่ในเข้ออบกลิ่นเขาอบกลิ่นให้มีกลิ่นหอมตลอดเวลาห้องน้ําของพระองค์ก็มีกลิ่นหอมอย่างดีแล้สถานที่ที่พระองค์อยู่ก็บรรยากาศอันน่ารื่นรมแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ติดในสิ่งนี้พระองค์สามารถเข้าพระลาสมาบัติเข้าฌานสมาบัติเนี่ยนะ เธอเขามีพรามคนหนึ่งไปถามว่าดูตามลักษณะพระพุทธเจ้าเลยนะน่าจะเป็นคนไปบริบูรณ์ด้วยเรื่องที่นั่งที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่บริบูรณ์ด้วยอะเครื่องอลังการของของของช้สอยในยุคนี้อ่ะดูตามรูปร่างกายเนี่ยแหมน่าจะได้เตียงชั้นดีที่นั่งชั้นดีที่นอนชั้นดีเป็นต้นเนี่ยพระพุทธเจ้าพ่อองค์ก็แบอกว่าพ่อองค์ก็มีอาสนะอาสนะที่พ่อองค์ประทัดนั่งมีอยู่สามอย่างด้วยกันหนึ่งอาสนะทิพ ส อ, อาสนะพรม3อาสนะอริยะพระองค์นั่งที่ใดในพระองค์ประทับนั่งด้วยอาสนะ3ประการทวนอีกครั้งหนึ่งนั่นหนึ่งอาสนะทิพย์ส อ, อาสนะพรม 3. อ, อาสนะของพระอริยะหรืออริยะอาสนะเนี่ยนะอาสนะทิพย์ก็คือการเข้าฌานพระองค์นั่งที่ใดเข้าฌานได้ทุกประเภทอนาตั้งการปฐมฌานทุติยฌ า, านตติยฌ า, านจตุตยฌาน กรม่ชานเกิดจากสิ่งใดๆพองเข้าได้หมดเลยพองดูดินแล้วเข้าชานได้เลยดูน้ําก็เข้าชานสีได้ดูลมก็เข้าชานสีได้อดูอากาศก็เข้าชานสีได้หรือเห็นสีขาวนะเห็นขาวพระองเข้าชานสีได้เลยเห็นสีเขียวก็เข้าชานสีได้เห็นสีแดงก็เข้าชานสีได้เห็นดอกไม้เหลืองพองคก็เข้าชานสีได้อันนี้คืออาสนะทิพย์ของพระองค์พระองค์นั่งอยู่ที่ไหนต่ถ้าผิวนั่งอยู่ที่ไหนไม่ว่างจากอาสนะอันเป็นทิพย์เนี่ยนะ นั่งอยู่โคนไม้เนี่ยอย่างโคนไม้ที่เรามองเห็นเห็นเนี่ยโคนไถ่เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งเนี่ยพระองค์นั่งบนอาสนะอันเป็นที่ของเรานี่ได้นั่งอาสนะอันเป็นเบาได้เท่านี้แต่ว่าไม่มีอาสนะเป็นที่เข้าฌานอะไรยังไม่ได้แต่ก็ได้พุทธานุสติก่อนนะนะตอนนี้ก็กําลังจะเจริญอาสนะไหนกําลังเจริญอาสนะเพื่อจะได้อาสนะอริยะเนี่ยนะเพราะมาเจริญพุทธานุสติใช่ไหมดงั้นพระองค์นี้เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยอาสนะที่ ชานสี่ชาญสีนั้นโดยมากเนี่ยนะโดยมากพูดถึงโดยมากก็ได้จากกะสินกะสินดินกะสินน้ำกะสินลมกะสินไฟกะสินสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีทั้งหลายเหล่านี้ดินน้าไฟลมเหล่านี้พระ อ, องค์เข้าชาญได้หมดเลยพออระองค์ปราบถึงร่างกายของพระ อ, องคนะ์เข้าชาญได้ทุกไะชาญก็ได้ไดพระ อ, องค์มีสัตว์อันหาประมาณเป็นอารมณ์เข้าชาญก็ได้ หรือบุคคลเดียวก็ได้คิดว่าโอทิโสกับอโนทิโสเนี่ยนะเจริญแบบเจาะจงก็ได้ไม่เจาะจงก็ได้เจาะจงก็เข้าฌานได้ไม่เจาะจงก็เข้าฌานได้เข้าได้หมดเลยท่านพระองค์มีผู้ใดเป็นอารมณ์นะพระองค์เข้าเข้าเมตตาได้หมดเลยเนี่ย น, นะเจริญเมตตาได้หมดเลยเข้าฌานที่มีเมตตาเป็นอารมณ์อันนี้ถือว่าเป็นอาสนะอาสนะอะไรอาสนะพรหมข้อแรกคือเมตตา อ๋อเนอะพองเนี่ยเป็นผู้ที่หวังประโยชน์เกื้อกูลแก่ประโยชน์เกื้อกูลแก่ศัสตร์ทั้งหลายคิดให้คนอื่นมีความสุขจนเข้าชานที่สามได้อะติงพองเก่งขนาดนั้นนะของเราเนี่ยคิดให้คนอื่นมีความสุขและยิ้ม เ, เนี่ยนะก็ยากเหมือนกันนะแค่คิดอย่างยากถามว่าเราทั้งหลายวันนี้คิดให้คนอื่นมีความสุขบ้างหรือยังนะป้าสุรียกมือขึ้นอ๋อเนาะสาธุก็แสดงว่าเราทั้งหลายก็เป็น ลูกหลานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพราะว่ามีเมตตาขึ้นคิดให้คนอื่นได้รับความสุขความเจริญหวังดีปรารถนาดีต่อผู้อื่นให้ผู้อื่นเนี่ยบริบูรณ์เนี่ยเราทั้งหลายถ้ามากันอย่างนี้นะถ้าจะเจริญเมตตาให้กันนี่จเจริญว่าอย่างไงขอให้ให้ทุกคนได้รับความสุขใช่ไหมสุขไหนที่เราอยากให้คนอื่นได้ที่สุดนะเช่นสุขไหนโอเอางั้นเลยยมวุ่นโอ้ยมว้มวนเอาสุขในนิพพานเน่ยนะขอให้ทุกคนบรรลุพระนิพพานทั่วหน้ากันนะ อย่างนี้ก็ได้ถ้าเรามามาจากเมืองไหนเนี่ยพระนศีพระนสีมีอะไรเป็นสั ญ, ญลักษณ์เด่นทำเมฆคัศถูบเห็น ไ, ไหมทำเมฆคัศถูบก็คือสถูบที่เป็นที่เห็นอริยสัจฉันก็ปรารถนาขอให้ทุกท่านตรัสรู้อริยสัจกันนะทุกศาสตริย์ที่ควรทําปริญญาขอให้ท่านทั้งหลายได้ทําปริญญาการสมุทัยศาสตร์เป็นธรรมที่ควรละขอให้ได้ละกันนิโรธศัสตร์เป็นธรรมที่ควรทําให้แจ้งก็ขอให้ทําให้แจ้งด้วยกัน อริยมรรคมีองค์8ระดับโสดาปฏิมรรคเป็นต้นเป็นธรรมที่ควรเจริญขอให้เจริญอริยสัตว์เหล่านี้ให้ทำกิจในอริยสัตว์เหล่านี้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าด้วยกันน ะ, ะการตั้งความปรารถนาลักษณะนี้เป็นเมตตาที่มีต่อกันนะนะซึ่งเราสามารถที่จะเจริญเมตตาอันนี้ได้อยู่แล้วหวังดีปรารถนาดีขอให้สุขภาพแข็งแรงนะเดินทางโดยสวัสดิภาพอย่าปวดยามุวย รักษากายให้ปลอดจากป่วยไข้รักษาใจให้ปลอดจากอะไรอากุศลเนี่ยนะอากุศลมีอะไรบ้างความน้อยเนื้อต่ําใจความหงุดหงิดเป็นต้นเนี่ยนะขอให้รักษาใจให้ปลอดจากอุบาทเหล่านั้นพระองค์ตรัสว่าอากุศลนี่เป็นอุปัทวะโตใช่ไหมอันนี้โอ้โหพองรักอะไรนะคนที่แปลนะ เ, เขาเขารักษาน้ําใจเรามากถ้าแปลเป็นไทยๆเลยบอกว่ารักษาอุบาทเสียดจังไรเหล่านั้นอย่าให้มันเข้ามาภายในยงนั้นเลยเพราะพวกนี้มันไม่ดีเนี่ยนะ อย่างสัพพิโตวิวัชานตูนะอิติโตเนี่ยนะก็คืออิติโตนะขันห้ามันอิติโตใช่ไหมอิติโตเนี่ยสัพพิตโตก็คือมาจากคําว่าสัพพะบวกอิติโตเนี่ยนะเราก็บอกว่าสัพพะจังไรทั้งมวลอย่าได้มีแก่ท่านท่านก็ให้เจริญงอกงามด้วยกุศลธรรม ท, ทั้งหลายแต่เชื่อไหมว่าคําว่าอิติโตนี้เป็นชื่อของอะไรขันห้าขอให้ได้ปลอดขันห้าขอให้ปลอดขันห้านะความเลวร้ายทั้งมวลนี่อาศัยอะไรเกิด อาศัยขันห้านะขอให้ปลอดขันห้ากันทุกท่านนะขอให้ปฏิบัติธรรมให้ถึงกับปลอดขันห้าอย่างที่ยมบวญว่าขอให้บรรลุ น, ลนิพพานกันนะอย่างเงี้ยนะก็มีความคิดเมตตาต่อกันอย่างเงี้ยขอให้ท่านไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนซึ่งเราทั้งหลายมาลองฝึกซ้อมๆคิดดูอย่างเนี้ยแต่พระพุทธเจ้านี่เข้าฌานได้เลยคิดปั๊บเข้าฌานได้เลยไม่มีสัตว์ใดๆที่พระ อ, องค์พิจารณาแล้วเข้าฌานไม่ได้โดยเมตตาเนี่ยนะโดยเมตตาพระ อ, องค์เห็นพระเทวทัตรงก็เข้าฌานได้ เอ็เห็นองค์คุริมานพระองค์ก็เข้าเมตตาฌานได้นะเห็นจอมโจรเห็นใครก็ได้พระองค์เข้าฌานได้หมดเลยด้วยอํานาจเมตตาเพราะพระองค์เป็นผู้ชํานาญในการมองเห็นโดยความเป็นของไม่ปฏิกูลคือเมตตาเนี่ยที่สั่งสมมาดีเนี่ยนะสั่งสมมาดีปรารถด้วยดีใส่ใจด้วยดีเนี่ยซึ่งเราทั้งหลายเนี่ยตลอดถนนหนทานเราสามารถเจริญเมตตาได้หมดเลยอย่างที่อย่างเมื่อคืนเนี่ยพระท่านสวดเร็วมากนะ ตอนที่ยกมือรอวางลงก็เจริญกรณียมัทุศลเลนยันตังวันตัง ป, ะ ด, งปะดางปิสมจ้าจากโกโชเนี่ยนะก็เลยขึ้นเดียวรวดเดียวเลยจบรวดเดียวเลยนะก็คือการเจริญเมตตานั่นเองเ น, นะซึ่งถ้าเราฟังเดี๋ยวฟังกรณียเมตตาสูตรสักเล็กน้อยก่อนนะนะก่อนก่อนถ้าต่อพุทธคุณอย่างอื่นกรณียเมตตาสูตรนั้นภาพสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนพระพิสูจน์ที่จะไปอยู่ป่าถามว่าอยู่ป่าเนี่ยนะอย่างบรรยากาศสองข้างทางที่เราเห็นเนี่ยถ้ากลางคืนอันมืดมิดเนี่ยมันจะน่ากลัวแค่ไหน น่ากลัวแค่ไหนเนี่ยนะมันมันน่ากลัวจริงๆเลยเนะีท่านผู้ที่เจริญเมตตาเนี่ยทำให้ลดความน่ากลัวออกไปคือลดภัยออกไปเพราะว่า อ, อ, อะไรนะคิดให้สัตว์อื่นมีความสุขพวกความกลัวนี่คือเป็นความคิดประทุษร้ายผู้อื่นแต่เมตตานี่คือการไม่คิดประทุษร้ายต่อผู้อื่นทั้นการเจริญเมตตานั้นเป็นสิ่งที่กุลบุตรทั้งหลายในพระาศาสนานี้ควรกระทําท่านถือว่าเป็นพรหมวิหารในธรรมวินัยของพระอรียเจ้าเหล่านี้ นะอันนี้เป็นอาสนะพรมนะข้อความในกรณียมตสูตรคุถกานิกายสุตตะนิบาตและก็คุถกานิกายคุถกะปาฐเนี่ยมีอยู่สองแห่งที่กล่าวว่าคุระบดผู้ฉลาดในประโยชน์ปรารถนาเพื่อจะตรัสรูส้สรรตบทเพึงบำเพ็ญไตรสิกขาคุระตรนั้นพึงเป็นผู้อาถานเป็นผู้ตรงเสื่อตรงว่าง่ายอ่อนโยน ไม่เย่อหยิ่งสันโดษเลี้ยงง่ายมีกิดน้อยมีความประพฤติเบามีอินทรีย์อันสงบแล้วอะไรไม่พึงประพฤติอะไรน ะ, ะมีปัญญาเครื่องรักษาตนไม่ขนองไม่พัวพันในสกุลทั้งหลายไม่พึงประพฤติทุจริตเล็กน้อยอะไรอะไรซึ่งเป็นเหตุให้ท่านผู้รู้เหล่าอื่นติเตียนได้ พึงเจริญเมตตาในสัตว์ทั้งหลายว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดสัตว์อื่นไม่พึงค่มขู่สัตว์อื่นไม่พึงดูหมิ่นเขาในที่ไหนไหนไม่พึงปรารถนาทุกข์ให้แก่กันแลกกันเพราะความโกรธเพราะความเครียดแทน มารดาถน้อมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนแม้ด้วยการยอมสละชีวิตได้ฉันใดกุลบุตรผู้มีเจริญเมตตานั้นเพิงมีเมตตามีในใจไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งตัวงแม้ฉันนั้นกุลบุตรนั้นเพึงมีเมตตามีใ น, ในใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่คับแคบไม่มีเวร ไม่มีศัตรูกุลบุตรผู้เจริญเมตานั้นเดินอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีปราศจากความม่วงเหงาเพียงใดถึงตั้งสติคือเมตานี้ไว้เพียงนั้นบัณฑิตทั้งหลายกล่าววิหารธรรมนี้ว่าเป็นพรหมวิหารในธรรมวินัยของพระอริยเจ้านี้กุลบุตรผู้เจริญเมตานั้นไม่เข้าไปอาศัยททิฏฐิ เป็นผู้มีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยทัศนะนำความยินดีในกามทั้งหลายออกได้แล้วย่อมไม่ถึงความนอนในคันอีกโดยแท้แลอันถ้าหากว่าเรามีใจเนี่ยน ะ, อะขอให้มีความสุขมีอายุยืนกันนะหรือว่าพระที่ท่านสวดเมื่อคืนเนี่ยนะอีทางโนยตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยยําอยู่ทั้งสามครั้งอะนะอีทางโนยตินังโหตุก็ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า นะนะจงเป็นผู้มีความสุขสุขิตาโหสถุกย ต, ตโยเนี่ยนะต้องมองทุกคนเป็นญาติแตนะขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขมีความเกษมทุกท่วหน้านะขอให้ได้รับความเจริญดีมีอยู่พระเถระแนะนําพระเถระแนะนําไว้ในเถรคถาว่าผู้ที่จะอยู่ป่าช้าเนี่ยต้องมองคนอื่นเหมือนลูกเราให้หมดเลยคีดว่าคนอื่นเขาเหมือนลูกเราลูกเราเนี่ยแม้กระทั่งอะไรนะ ความทุกข์เล็กน้อยเราไม่อยากให้เขามีเลยเราอยากให้เขาได้รับความเจริญฉันนั้นบรราทั้งหลายก็ลองคิดฝึกให้มีเมตตาปรารถนาความเจริญให้แก่เขาอันนี้เป็นเมตตาแต่ถามัสสักทั้งหลายได้รับความเจริญอย่างที่กล่าวนี่เยอะไหมจริงจริงแล้วเยอะไหมไม่เยอะอันนี้แหละควรแก่การกรุณาเนื่องจากเขาไม่ประสบความเจริญเท่าที่ควรจะเป็นเขาไม่ได้รับความดีเท่าที่ควรจะเป็น น, นะเขาเดือดร้อนเขาลําบาก น, นะเขาเดือดร้อนทางตายเดือดร้อนทางจิตใจเราก็เจริญกรุณาให้เขาไปอีกใช่ไหมการเจริญกรุณาอย่างนี้ก็อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่เจริญกรุณาสัตว์ทุกแง่ทุกมุมแต่ว่าเห็นความเลวของสัตว์ทุกชนิดเนี่ยนะรู้ความเลวของสัตว์แต่รู้ด้วยกรุณาซึ่งต่างจากคนที่คนทั่วๆไปที่รู้ความเลวของคนอื่นเพื่ออะไร เพื่อประจานใช่ไหมเพื่อประจานเพื่อเก็บเอาไว้ข่มคนอื่นเพื่อเอาไว้ตําหนิติเตียนผู้อื่นแต่พระพุทธเจ้ารู้จักความเลวของหมูสัตว์ทั้งหลายด้วยกรุณาเนี่ยนะหวังประสงค์ที่จะปลดเปลื้องเขาขอให้เขาพ้นทุกเนี่ยนะสับพทุกขาประมุนจันตุขอให้เขาทั้งหลายพ้นความทุกข์นะให้พ้นทุกกายให้พ้นทุกใจให้พ้นทุกกายให้พ้นทุกใจเดี๋ยนะทันท่าเราจเจริญกรุณาตัวเองเราจะเริญว่างไง ขอให้พ้นทุกข์ขอให้พ้นทุกข์อย่างไงวะคุณนภารขอให้พ้นทุกข์ขอให้พ้นทุกข์นะนะอะไรนะอาหารสุขิโตโหมิอันนี้เจริญเมตตานะถ้าเจริญกรุณากา็บอกว่าขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกขนะ์ทั้งปวงพ้นจากทุกข์กายพ้นจากทุกข์ใจพ้นจากทุกข์คือบาปอกุศลธรรมทั้งหลายขอให้พ้นทุกข์อย่างงี้ยนะเรียกว่ากรุณากรุณาเจริญกรุณาเนี่ยขอให้ทุกท่านพ้นทุกข์นะนั่งรถก็อย่าปวดอย่าเมื่อยให้พ้นจากทุกข์ทั้งหลาย อันนี้แหละเป็นการุณาถ้าเป็นมุทิตาขอแสดงความยินดีกับท่านผู้มีบุญทั้งหลายที่ได้กราบไหว้บูชาผู้ที่ควรกราบไหว้คือพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมแต่ท่านผู้สั่งสมบุญไว้เป็นอย่างดีขอแสดงความยินดีกับผู้มีบุญทั้งหลายอย่างเงี้ยที่ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีบุญเนี่ยในหมู่สัตว์ผู้เดือดร้อนท่านก็นั่งรถเย็นสบายคนอื่นเขาก็เดือดร้อนลาบากกันเนี่ยนะ ท่านก็นั่งรถเย็นสบายอย่างนี้ก็ก็เจริญมุทิตาให้แก่กันและกันได้ท่านทีนี้ก็ถ้าเจริญมุทิอุเบคาล่ะก็ผู้ที่เจริญเมตตากรุณามุทิตามุทิตาได้เป็นอย่างดีแล้วก็น้อมไปเพื่อจะพิจรารณาอุเบข า, านะอุเบคาก็ดูก่อนท่านผู้มีกรรมเช่นเราท่านก็มาด้วยกรรมของท่านข้าพเจ้าก็จับไปด้วยกรรมของข้าพเจ้าเพราะเราและท่านทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผาพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสิ่งที่ท่านคิดทำอะไรก็ตามเนี่ยนะสิ่งที่ท่านพูดอะไรท่านนั่นแหละจะเป็นผู้รับกรรมของท่านเพราะฉะนั้น เ, เราไม่มีส่วนจะต้องไปช่วยรับผิดชอบเลยใช่ไหมถ้าเขาปวดหัวเรารับผิดชอบไหมจริงๆอย่างมากกว่าหายาให้คณคณอะไรนะพี่วันน่ะนะวันนรัตใช่ คุณวรารวันเนี่ยไม่สบายคุณไพฑูรย์ก็ทําได้ดีที่สุดคือให้ยาแต่ว่าการทานยานี้ก็ยังช่วยไม่ได้ป่วยก็ยาแล้วแต่ยาว่ากันน่ยไม่สามารถที่จะช่วยได้เต็มที่เพราะฉะนั้นทุกคนก็มาด้วยกรรมเป็นของของตนจริงๆะนะมาด้วยบุญของตนมาด้วยบาปของตนแต่ขณะเดียวกันถ้ามองในแง่กรร ม, มสกตาแล้วเนี่ยย้อนกลับไปเจริญมุทิตาอีกก็ได้โอ้ท่านทั้งหลายไม่ประมาทในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม เป็นที่หวนระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้เจริญอยู่ในกุศลธรรมก็ขอให้ได้รับความเจริญยิ่งขึ้นไปนะอันนี้ก็เป็นเมตตาเป็นมุทิตาพันธการพิจารณาเรื่องกรรมเนี่ยช่วยให้พรหมวิหารเนี่ยมั่นคงบ่อยๆมั่นคงมากขึ้นแต่การพิจารณากรรมสรรตาเนี่ยไม่เป็นไปเพื่ออาวอ์และผูกพันเดี๋ยวก็ไปเดือดร้อนกับเรื่องคนอื่นก็เกินไปนะเกินความจําเป็นหรือเกินความพอดี บางทีไปนึกอะไรนะห่วงใยวิตกตกังวลเขาจะกินอิ่มหรือเปล่าเขาจะนอนหลับหรือเปล่าเขาจะปวดเขาจะมุ่ยหรือเปล่าคิดด้วยโทสะเนี่ยนะอันนี้มันเป็นเรื่องอะหรือคิดด้วยอำนาจราคาอันนี้ไม่ใช่แล้วนะเพราะแล้วก็เขาก็มาด้วยกรรมของเขานะเราก็ไม่ต้องไปปวดไปช่วยปวดช่วยเมื่อยจานสันติอะไรก็นั่งก็นั่งเล้วก็ปวดก็มื่ยไปนี่แล้วพราะมีรูปประคันก็เป็นอย่างนี้แหละรูปเป็นที่ตั้งแห่งทุกขะกายย่วิญญาณก่อพิจารณาต่อไปอย่างนี้ก็ได้ อันนี้เป็นอาสนะอะไรถ้าคิดแบบนี้บ่อยๆอาสนะพรมเนี่ยนะถ้าอาสนะอาริยะล่ะถ้าบุคคลผู้เป็นพระอริยะแล้วนะถ้าเป็นพระอริยะแล้วบรรลุคุ ณ, ณวิเศษแล้วคือหมายถึงว่าแทงตลอดอริยาาสัจสี่แล้วเช่นกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารถคันนี้ทําไมเขาจอดขวางถนนแบบนี้นี่นะถ้าเราเป็นเจ้าของรถเองจะเป็นยังไงนี่ที่นั่งสบายๆนี่เพราะอะไรเพราะรถคันนั้นไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจึงนั่งอย่างสบายใจใช่ไหม นี่นะถ้าของเธอทั้งหลายนี่คริสเลยนะทำไงเนี่ยงั้นถ้าหากว่าผู้ที่เป็นพระอริยะอยู่แล้วเนี่ยเจริญพรหมิหารว่างเอ่อเจริญอริยะว่างไงก็เจริญเอ่อเห็นทุกอารมณ์เนี่ยโดยอนุ ป, ปัสนาจแล้วเข้าพระสมาบัติได้อันนั้นแหละเป็นอาสนะของพระอริยะเพราะฉะนั้นนั่งปัดด๊บดูเอ่อพิจารณาตาก็เข้าพระสมาบัติได้พิจารณาหูก็เข้าพระสมาบัติได้พิจารณาจมูกก็เข้าพระสมาบัติได้ พิจารณาลิ้นก็เข้าพระสมาบัติได้พิจารณากายก็เข้าพระสมาบัติได้พิจารณาใจก็เข้าพระสมาบัติได้พิจารณาอุปาทานขันห้าเข้าพระสมาบัติได้พิจารณาอายตนาสิบเข้าพระสมาบัติได้คือพิจารณานะคำว่าพิจารณาแปลเป็นบาลีว่าอนุปัสนาเจริญอนุปัสนาแล้วเข้าพระสมาบัติได้ผู้ที่ทําได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นอาสนะอริยะ ถ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะส่วนหนึ่งเนี่ยพระองค์จะเข้าอรูปฌานก็ออกจากอรูปฌานแล้วเจริญอนุปัสนาเจจึงเข้าพระสมาบัตินะจึงเข้าพระสมาบัติอย่างน้อยส่วนพระองค์เข้าพระสมาบัติระดับฌานที่สี่แต่ในระดับฌานที่4หรือมีอรูปฌานต่างๆเป็นบาทในการเข้าพระสมาบัติมันการเข้าพระสมาบัติของพระองค์นี้โดยตัวพระสมาบัติของพระองค์ก็เรียกว่าอนิเฉาะคือไม่วันไหว แล้วก็ยังมีพระนิพพานที่เป็นอนินช้าเป็นอารมณ์โดยที่ไม่มีความหมั่นไว้อยู่เล ย, เ น, ยนะนเราทั้งหลายเนี่ยมาดินแดนแห่งพุทธภูมิเนี่ยถ้าที่ใดเป็นที่พระองค์เคยประทับนั่งให้รู้เถอะว่าตรงนั้นนี่มีอาสนะสามประกรรารนนะทุกทุกแห่งเลยเนะ เช่นถ้าเราไหว้พระคันตกุตีโดยเฉพาะพระเชตวันเนี่ยที่เราจะไปพระองค์ประทับนั่งตรงนั้นนานเท่าไรนะนะสี่สิห้าปีเหมืออกันนั่นะประมาณสักสีิบสี่ปีเ น, นีนะสีิบสี่ปีที่ประทับนั่งที่เชตวันหมายว่าสี่สิบปีไม่ใช่รวดเดียวนะมันก็ก็แล้วแต่จาริกไปดเรื่อยเนี่ยคือที่ตรงนั้นเนี่ยพระองค์ประทับนั่งเขาขิจ้จักรูดนี่ก็ประทับนั่งอยู่40กว่าปีประทับนั่งสี่สิกว่าปีทุกแห่งที่เป็นพระคันตกุตีทุกแห่งที่พระองค์ประทัับน่ง ณที่นั้นนณสถา น, น, นที่นั้นนั้นพงนั่งด้วยอาสนะ3ประการเหล่านี้คืออาสนะทิพอาสนะพรรมและก็อาสนะของพระอริยเ น, น, นี่ยนะแต่ของเราเนี่ยได้อยู่อาสนะเดียวคืออิริยาบดนั่ง อ, อาสนะนี่มีอยู่ทจริงแนละ้วมาจากคําว่าวิหารหน่ยนะวิหารก็แปลว่าอยู่ก็มีอีกในหนึ่งก็แปลว่าอยู่วิหารนี่อยู่ด้วยอิรยิรยาบหนึ่งอิริยาบดวิหารสองทิพพวิหารสามพรรมวิหารสีอ่อริยะวิหารก็ในยะเดียวกัน เพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วข้อหนึ่งละอิริยาบทวิหารพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะผู้สมบูรณ์ด้วย อ, อ, อริยธรรมอริยวิหารเหล่านี้แล้วก็มาล้อมล้ำลึกถึงพระองค์ผู้ผู้พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งบทหลังๆเนี่ยจะทธิบายพระองค์นี้เป็นพระอรหรันต์คงทบทวนกันหน่อยนะอรหันต์นี่ในที่หนึ่งไกลจากกิเลสสองตาจัดฆ่าศึกภายในคือกิเลสสา หากซีกรรมแห่งสังสารจาจเซไม่มีความอเป็นผู้ควรเครื่องสักการะบูชาทุกชนิดทุกประการและโดยประการทั้งปวงสุดท้ายไม่มีความลับในการทำบาปไม่มีการแอบทำอัตอุสนใดๆนะทุกผลทุกแห่งไม่มี <c oughs> แม้แต่คิดกามวิต ก, ก็ยังไม่มีคิดพยาบาทวิตกก็ไม่มีคิดวิหิงสาวิตกก็ยังไม่มี เมื่ออากุศลวิตกอย่างนี้ยังไม่มีจะกล่าวไปยัยถึงบาปอากุศลอย่างอื่นเล่าเนี่ยนะพราะพระพเจ้าฟุ้งซ่านเป็นไหมโดยที่สุดแม้กระทั่งบาปคือความฟุ้งซ่านพระองค์ยังไม่มีเลยเนี่ยนะพระองค์นั้นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะเป็นผู้ที่ไม่มีความลับในการกระทําบาปเป็นผู้สะอาดในที่ทุกสถานและตามทุกเมื่อเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆบรนในหลายๆแห่งจึงอุปมาว่าดอกบัวดอกบัวที่จะ ดอกบัวนี้จะโต อ, ะอาศัยอะไรจรึงโตได้น้ํากับโคลนตมอาศัยน้ําและโคลนตมเจริญงอกงามพอแบ่งบานออกมาอพอพ้นน้ำํำไปแล้วก็น้ําไม่แปดเปื้อนแล้วฉันใดพระพุทธเจ้าพระองค์ผู้เกิดในโลกคือหมู่สัตว์โลกอาศัยโลกคือขันห้าอยู่แต่พระองค์ไม่แปดเปื้อนในสัตวโลกไม่แปดเปื้อนในขันห้าเนี่ยนะอันนี้คืออนุภาพของการทําปริญญานะที่เป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะอนุภาพแห่งการทํา ปริญญาว่าผู้ที่ทําปริญญาเสร็จแล้วเนี่ยจะไม่มีถุไม่มีกิเลสฉาบทาในที่ไหนไหนเนี่ยนะไปฉาบทาไว้กับอะไรอะไรเลยพระองค์นั้นตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสรุปตรัสรู้อะไรบ้างตรัสรู้รมที่ควรรู้ยิ่งตรัสรู้รมที่ควรละตรัสรู้รมที่ควรทําให้แจ้งตรัสรู้รมที่ควรเจริญตรัสรูทท้รมที่หมาะหรือยังหมด ไม่หมดหรอกมีเยอะแยะแปรนะแต่นี้หัวข้อย่อๆว่าหนึ่งอับกินย่อยธรรมสองปริญญ่อยยธรรมสามปะหาตปะปาธรรม 4, สีสัจจิกาตปะปาธรรมห้าพาเวตปะปาธรรมขั้นพระองค์นี้เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยคุณธรรมเหล่านี้แหละก็เป็นที่น่าคิดนะว่าเนี่ยเราเห็นอะไรทั้งหลายเนี่ยลองคิดให้มันเป็นธรรมะห้าอย่างดูอะไรควรรู้ยิ่งบ้างอะไรควรกําหนดรู้บ้างอะไรควรละบ้างอะไรควร ทำให้แจ้งบ้างอะไรควรเจริญบ้างเนี่ยนี่ยต่อก็น้าเอามาฝึกนั่นในแต่ละทวารเนี่ยเช่นเราลืมตามองดูนี่อะไรควรรู้ยิ่งอะไรบ้างจากขู่ควรรู้ยิ่งรูปควรรู้ยิ่งจากขู่วิญญาณควรรู้ยิ่งจากขู่สัมผัสควรรู้ยิ่งแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขคมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากขู่สัมผัสเป็นปัจจัยควรรู้ยิ่งตานี่ควรกําหนดรู้สีควรกําหนดรู้จากขูวิญญาณควร กำหนรู้จากขู่สัมผัสควรกำหนดรู้แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกข์มสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากขู่สัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยควรกำหนดรู้อย่างเราทั้งหลายมาที่อินเดียเนี่ยนะมีตามาใช่ไหมมารับเอาสีของคนอินเดียนะมารับสีเอาบ้านเมืองที่นี่ก็เกิดจากขูวิ ญ, ญญาณขึ้นกรรมเก่าเลยให้ผลเลยจากขูวิ ญ, ญญาณก็เกิดขึ้นวันวันแต่ละวันนี่พรรษาเท่าไหร่พรรษาเท่าไหร่พรรโสสาสโวอุปาทานิโย เชื่อไหมทุกๆภาษาเหล่านั้นเนี่ยเป็นผัสโซสาสโวหมายคือว่าเป็นอารมณ์ของอาสวะได้หมดเลยแล้วก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเนี่ยนะผัสโซสาสโวอุปาทานนโยภาษาเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเพราะนั้นถ้าหากว่าเราไม่รู้ยิ่งสิ่งเหล่านี้ไม่กําหนดรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเพราะเห็นต้นเนีต้นไม้ใบหญ้าก็เนี่ยระลึกถึง จาก ค, ควรรู้ยิ่งสีเหล่านั้นควรรู้ยิ่งเป็นต้นเนี่ยนะเดี๋ยวจะได้สนทนาการอีกครั้งว่าพวกพืชผักใบไม้รอบๆบข้างถนนเนี่ยไม่ใช่สิ่งธรรมดานะที่เราจะควรไม่ไม่ไมะจะไม่พิจารณาได้จําเป็นมากที่จะต้องเอาสิ่งเหล่านั้นมาพิจารณาด้วยนนว่าพราะองค์นี้เป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องและด้วยพระองค์เองเพระองค์นี้ทรงเป็นนักปราดนักปราดเนี่ยนะนักปราดคือบุคคลเช่นไรจึงเรียกว่านักปราด นักปราชญ์ปราชญ์ก็คือเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถเนี่ยนะผู้ใดมีความรู้มีความสามารถเราก็เรียกว่าบุคคลนั้นเป็นนักปราชญ์หรือผู้มีปัญญานั่นเองพระองค์เนี่ยปราชญ์ระดับไหนปราชญ์ระดับผู้บริบูรณ์ด้วยสัพพัญญุตยานเนี่ยนะพระองค์มีสัพพัญญุตยานนั้นความเป็นปราชญ์ของพระองค์เนี่ยระดับสัพพัญญุตยานไม่ใช่ปราชญ์แบบระดับล่างๆอะไรแล้วพระองค์ปราชญ์จากโมหะ คำว่าปราศจากโมหะเนี่ยปกติโมหะนี่ไม่รู้อะไรบ้างง่ายๆเลยถ้าทวานตานะเช่นไม่รู้เหตุทวานตาเนี่ยลืมตาปับ๊บไม่รู้เหตุเกิดความดับอาสาทาอาทินาวะนิสรณะทุกครั้งที่ลืมตานี่แหละคือโมหะว่า ง, งั้นนี่คือโมหะหูได้ยินเสียงรบวิ่งเนี่ยไม่รู้หูไม่รู้เสียงโสตวิญญาณภาษาเวทนาเหล่านี้ไม่รู้อาสาทาอาทินาวะเหตุเกิดความดับจนถึงนิสรณ ะ, น, รณะ น, น, นี่เป็นอวิชชาเนี่ยเป็นอวิชชา ทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายก็เหมือนกันถ้าขณะนี้ยังไม่รู้แล้วอดีตจะรู้ได้ยังไงแล้วอนาคตต่อไปคิดว่าหรือคิดว่าจะรู้หรือถ้านั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่เนี่ยนะไปข้างหน้าเดี๋ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันรู้เองแก่เองเนี่ยเชื่อเลยแต่ว่ารู้เองนี่ไม่แน่แก่เองเจ็บเองป่วยเองตายเองนี่เชื่อนะเพราะเป็นธรรมนิยามใช่ไหมแต่ปัญญาจะโตเอาตัวเอาเองเหมือนพจลมาเนี่ยไม่ใช่พอทําให้อบรมไม่ฝึกไม่หมั่นเจริญไม่หมั่นพิจารณาเนี่ย ที่ปัญญาทั้งหลายจักเจริญนี้ยาถ้าหากว่าผู้ที่อย่างลืมตาเนี่ยนะผู้ที่มีโมหะคืออะไรไม่รู้จักขุจักขู่ขสมุทยัยจักขู่นิโรธจักขูนิโร ธ, าโรธาคารมินีปฏิปทาไม่รู้สีคือรูปรู ป, รปสมุทยัยรูปนิโรธโรบนิโรธาคารมิหนีปฏิปทาเห็นหน้ากันแล้วไม่นึกถึงอริยศัสตร์เลยนั่นแหละคือโมหะละว่างั้นนะถ้าไม่ใช่กุศลน ถ้าไม่ใช่ขณะที่เป็นกุศลเนี่ยเห็นหน้ากันเมื่อไหร่ก็นั่นแหละคือโมหละล่ะทุกครั้งที่เห็นถ้าไม่รู้อะไรนะจากครูวิญญาณจากครูวิญญาณสมุทัยจากครูวิญญาณนิโรธจากครูวิญญาณนิโรธคาคม่นีปฏิปทาอันนั่นเป็นโมหะเนี่ยนะโมหะนี้ไม่รู้กระบวนการของอการสร้างทวารตาแล้วก็การดับทวารตาเนี่ยนะไม่รู้เห็นเหตุเกิดความดับของสิ่งที่ทั้งหลายที่เป็นไปเหล่านี้เป็นลักษณะของโมหะ โมหะเนี่ยปกปิดอย่างสิ่งที่เราเห็นเนี่ยถ้าเป็นของพระพุทธเจ้าเลยนะทาวารโลกของสถานที่ตรงนี้อดีตมีอะไรบ้างเนี่ยพระองค์บอกได้หมดเลยเล่าได้หมดเลยว่าตั้งแต่ไล่ตั้งแต่มาผสมมากลับมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยพระองค์เล่าถึงความเปลี่ยนแปลงของที่นั้นๆได้หมดเลยอะ่ะฝันทองไม่มีโมหะในอดีตในทุกอารมณ์เหล่านี้เลยไม่มีแล้วพระองค์รู้ด้วยซ้ําไปว่าเหตุการณ์แถวๆนี้อนาคตต่อไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น แสดงว่าพระองค์เห็นเราวแล้วใช่ไหมอดีตที่ผ่านมาเราเป็นยังไงพระองค์รู้หมดแล้วใช่ไต่อไปอนาคตต่อไปเนี่ยนะพระองค์รู้หมดแล้วรู้แล้วจากนุโมทนาหรือจากการุณาเอ๊ะทำไมเป็นอย่างงั้นอ่ะสิทธ์มีอาจารย์มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะบอกว่าพระองค์จะ ก, การุณาเราก็ต้องน่าจะมุทิตาขึ้นเลยใช่ไหมก็ต้องมุทิตาดีเออแสดงความยินดีด้วยนะท่านทั้งหลายเดินเข้าอะไรนะ เดินตามมัชชิมาปฏิราเพื่อความดับทุกข์แล้วอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าไม่ได้เจริญก็ขอสแสดงความการุณาด้วยเหมือนกันใช่ไหมก็แต่พระ อ, องค์เนี่ยเป็นผู้ชำนาญ น, นะใส่ใจโดยเมตตาพระ อ, องค์ก็ทําได้ใส่ใจโดยกรุณาพระ อ, องค์ก็คล่องแคล่วอันนี้ไม่ใช่ภาระเลยไหมผลพระ อ, องค์นี้ปราศจากโมหะทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันเฮ้ปัจจุบันนี่สับผ้าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างอย่างไรเนี่ยพระ อ, องค์ รู้แจ้งแทงตลอดเหมือนคนตาดีมองเห็นทอพฉะนั้นนะพระองค์นี้ไม่มีโมหะอย่างนั้นเลยลักษณะของโมหะเปรียบชัดเจนก็เหมือนคนตาบอดหรือมีตาแต่มันมืดหมดเนี่ยนะลักษณะอ น, นั้นเป็นโมหะอย่างถ้าเราเห็นเราได้ยินเป็นต้นเนี่ยถ้าระลึกถึงคําสอนใส่ใจในคําสอนไม่ได้มันเป็นโมหะแต่แต่เลยนะสังเกตดูนะถ้าเป็นชาวเมืองพาราณสีเนี่ยใครเอาอาริยสัจมาคิดบ้างทุกการนะ การชี้มาที่ตัวเองแสดงว่าชาวเมืองพาราณสีก็แสดงว่าพิจารณาอริยสัจนะแถ้าต้องหมั่นใส่ใจนะว่าเออเนี่ยชาติเป็นทุกขาชร า, าปิทุกขามรณะป็ิทุกขังซึ่งพระอัญญาโกณทัญญาท่านก็สายใจในลักษณะนั้นนี่นะเราจากชรามรณะชาวเมืองพาราณสีจะไปดูชรามรณะชาวเมืองกุสินาราจริงๆนะทั้งที่เรามาก็มาจากชราและมรณะไปเพื่อจะไปดูชราและมรณะนั่นเอง แต่ที่พิเศษที่ที่เราไปตามที่ต่างๆคือไปเคารพผู้ที่พ้นจากชราและมรณะเนี่ยนะอันก็หวังว่าคงไม่ปราศคงปราศจากโมหะนะสังเกตดูว่าขณะไหนที่เรามีโมหะก็คือขณะที่ไม่ใส่ใจในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนั้นเป็นโมหะโมหะนั้นปกปิดปกตินะปกปิดอดีตปกปิดอนาคตปกปิดทั้งอดีตและอนาคตแล้วก็ปกปิดสัจจะในสิ่งเหล่านี้ด้วยว่านี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขานิโร ธ, าโรธาคามิมีปฏิปทาอันนั้นเป็นโมหะที่ตกปิดพระองค์นี้ปราศจากโมหะโดยประการทั้งปวงถ้าหากว่าเหลียวไปทางขวามือเนี่ยดวงอาทิตย์เกิดส่องขึ้นในโลกสว่างสวัยฉันใดพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาปราศจากโมหะก็มองส่องเห็นโลกทั้งหลายฉันนั้นเนี่ยนะมีปัญญากว้างขวางอย่างนั้นทรงทําลายกิเลสเครื่องตรึงใจได้ รองนี้ไม่มีตะปูตรึงใจเลยนะของเราเนี่ยถ้าผู้ที่ถูกตะปูตรึงใจหนึ่งสงสัยในพระพุทธเนี่ยก็ตะปูตรึงใจแล้จริงหรือเปล่านะเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าเขาไม่หลอกเราแน่นะพระสองสงสัยในพระธรรมเอออริยสัจที่เราเรียนนี่มันใช่หรือพระสามสงสัยว่าถ้าอัญญากณัญญะบรลลุจริงหรือเปล่าเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยนะถ้าอัญญาโกณทัญญาปฏิบัติดีจริงหรือเปล่าอันนี้สงสัยในพระสอง แล้วก็สงสัยในศิษขาสงสัยเยนี่เรามาคิดเรื่องศีลอย่างเงี้มันใช่หรือเปล่าคิดเรื่องศีลแบบนี้มันจะทําให้บรรลุได้จริงหรือคิดเรื่องสมถาวิปัสนาเหล่าเนี้จะช่วยให้เราบรรลุได้จริงหรือฉันความสงสัยนายสงสัยในเยศิขาสามอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเหล่านี้เนี่ยเป็นตะปูเครื่องตรึงใจอย่างหนึ่งและตะปูเครื่องตรึงใจข้อสุดท้ายคือ ก็มีใจกระทบกระทั่งในพวกเดียวกันมาเนี่แหละคอมเมนตนะลองนะัคํานั่งคอมเมนกันดูว่าไม่ต้องเจริญนะปรัชญาศาสตร์เนี่ยนะธรรมะก็ไม่ต้องเจริญนะพุทธบูชาเป็นต้นนี่ก็นะเป็นปนั่งกันคลมุมเลยนะนั่งกันคลมุมเลยหวังว่าตะปูตรึงใจอันนี้เราคงไม่มีกันฉันพูดพระองค์นี่ไม่มีเครื่องตรึงใจเหล่านี้เลยทําไมจึงเรียกว่าตะปูตรึงใจเพราะว่าคนที่ถูกตะปูตอกเอาไว้ติดฟ้าแล้วอะไรจะไปไหนได้ไหมไม่ได้ฉันใด ผู้ที่ถูกตะปูตรึงใจไว้ก็ฉะนั้นทําให้จิตเนี่ยไม่แล่นไปเพื่อปรารบความเพียรเพื่อการเจริญกุศลธรรมไม่น้อมไปเพื่อการปฏิบัติธรรมอะไรเลยเพราะถูกเพราะถูกตะปูตรึงใจเนี่ยมันตรึงเอาไว้แล้วเนี่ยนะพระองค์นี้ปราศจากกิเลสเป็นเครื่องตรึงใจเหล่านี้แล้วแล้วพระองค์เป็นผู้ชนะมารชนะมารม า, ม, ามีกี่อย่างมีห้าอย่างหนึ่ง สันตมานสองกิเลสมานสามมัจจุมานสี่เทวปุตตมารและอภิสังขารมารถ้ามองในแง่อภิสังขารมารก่อนเนี่ยนะตัมที่เป็นเหตุนําไปสู่ภพต่างๆสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นมารชนิดหนึ่งแล้วกันนะตัวตัมที่นําไปเกิดเนี่ยมันเป็นมานไหมเป็นมานหรือไม่ก็ที่ ด, ดูดิมันโยนเราไปถ้าไปเกิดเป็นวันนะจันทานเนี่ยมันเป็นมานขนาดไหนตัวนําเกิดตัวนั้นเนี่ยนะ โหมันสัตรูกันชัดๆเลยนะนี่มันทำไมแกเบียดเบียนฉันหนักขนาดนี้นะเห็นไหมเมื่อวานเนี่ยตอนที่อะไรนะที่เจ้าคันทีสุบูอ่ะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยอายุไม่น่าถึงยี่สิบนะไม่ถึงอะ่ะแต่ว่ามันแต่มันดูคล้ำแดกคล้ำฝนมากหน่อยอะนะอย่างมากก็สิบหกอย่างมากนยปุ่มลูกแดงๆน่าจะคลอดได้ไม่ถึงเดือนหรอกนะมาขอทานสงสารหน้าสงสารทั้งแม่ทั้งลูก เชื่อไหมพวกบุคคลเหล่านั้นว่าที่มารดาของเราได้หมดเลยแหละเชื่อตอนท่ากรรมให้ผลนําเกิดนี่มันอันตรายขนาด น, นั้นท่านพวกนั้นเนี่ยถามว่ากรรมที่นําเกิดอย่างนั้นเนี่ยจะเรียกว่าเป็นมิตรหรือเป็นมารมานแน่นอนเลยนะทําไมมันโหดร้ายเหลือเกินทําให้ไปเกิดในที่ที่ไม่ควรเกิดหรือกรรมที่นําไปสู่นรกเราจะไม่เรียกมารได้ยังไง กรรมที่นําไปเกิดในเดรชารนำที่กรรมที่นํามาเกิดแม้กระทั่งมนุษย์ดังที่กล่าวไปสิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่ามารเรียกว่าอภิสังขารมานกรรมที่นําเกิดเนี่ยเป็นเป็นศัตรูกันอย่างชัดๆเลยนะเป็นผู้ฆ่าเราจริงจริอ่ะนะทอดนำมาซึ่งความเดือดร้อนนามาซึ่งความลําบากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นที่เรามาเกิดเนี่ยทุกแบบทุกวันนี่ก็เพราะพยา ม, มารเนี่ยพามามารคืออภิสังขารมารสองกิเลสมารเนี่ยนะกิเลสมานเนี่ยอย่างว่า อย่างนิวรห้าเนี่ยมันเป็นมารชัดๆเลยอ่ะที่ที่ขวางกั้นอย่างมาที่นี่เราน่าจะได้บรรลุมรรคผลใช่ไหมมันไม่ให้บรรลุหรอกเพราะว่าพญามารคือนิวรมันกลุ่มโรมมาไว้มันปิดกั้นเอาไว้มันไม่ยอมเลยนะมันเป็นผู้ขัดขวางเราโดยจริงๆเลยมันเป็นผู้ทู้ทำลายประโยชน์อย่างอย่างยิ่งใหญ่จริงๆเพราะนิวรเนี่ยจึงเป็นพญามารที่เห็นเห็นกันอยู่อันนี้เรียกว่ากิเลสมารพระองค์นี้ทำลายมารเหล่านี้ได้หมดแล้ว แล้วก็อะไรขันธามาน